ก็เป็นเฮตห้เาวิการอีกคือกันอันนี้ก็ได้เขากับบัณฑิตนักถ้ำแนวชาล้อยเพิ่นสีปฏิบัิไปแนวไดเพิ่นสีนึกไปยังไงเพิ่นจังคิดังสั้นเข้ากับวัยสำข่ตัวเป็นนักเทศจ้อจังเองียงแเพิ่นสมมาอามา่าแต่เพิ่อนอามาที่มีความห ม, ม, มายยังไงแต่เพิ่อนอาม่าเพิ่นฝากเงื่อนมาหารอยบาท เอาเทปพานั่การอัดเทปเชียงราอัดไทอการแท้าอัดเทปไทยเพิ่นอารเท้าเอาเงื่อนหารายบาทไว้มันถิ่ว่าเป็นเท้าขายคําเทศบอกอันนี้มันก็เป็นปัญหาอยู่อันนี้ก็หลายนะฮะเพิ่นเอาของเทาแบบพิมพ์ต่างๆเนี่ยฮะมันถิ่นว่ทับถมเฮาบอกนีปัญหาอันนึงอีกอัน เอาไปโล่งน้ำนังซื้อโลกที่มูลนก็นดีหรือเอาไปพิมพ์เป็นคําเทศษทของเพิร์มุูลก็ดีเพิ่์มแปลเป็นคําไทยซะละเพื่ท้าทโมเ่าบอกอผู้ใดมีความเห็นยังไงนี่ขอเรียนศึกษานํานึ่งผู้ใดผู้ที่รับอัดให้เพิรนมว่าใจเพิร์มฝ่าม้าฮะจะปฏิบัติจังไรฮะจะเอาเพิร์มไปกินเหมดหรือที่ฝากขึ้น ่นเกาวอาปัจจัยหาร้อยบาทไปกินท่านนี่การท้าว่าเอาเทให้เพื se ่อนท่านนี่ม in ันถื่เป mm. ็นล่วงเพิินเบาท่านนี่ท้าก็บม่ได้ประกาศวาดหมายอว่าเพื่อได้เพือได้ยากใดให้เอามาเอาเทีมาทาก็บ่ได้ว่าเรื่อเพื่อนังเอาม้าเมื่อไปทังฉันท่านที่พี่ยงไงปฏิบัติยังไงอ่านนี่กับเงินหาร้อบาทนี่กับเทีซุมนะหารีบบวนบเทบะเออท้าทปฏิบัติังไงานี่ ขอศึกษาโม่เพราะเห็นน้องโม่บางโลกฮะนี่ยมู่งสิวายัางไงสิควรนยังไงฮเนี่ยมันจะสูบเขาหายมาอัดเทปแต่กับเห้ากันยังอยู่หลายไปไหนฮะเนี่นนเ ห, าหา่าบ้อัออ ด, อดนั่นของัายไหนเห็นว่าอัดหายฮนารอัดเนี่ทเทปของเหามันแพร่บ่างฮะนี่ นั่นเจ้าของเปยังจะมมานอน่ละอัดเอาพันออยากได้ที่มาใส่หมู่ห้องอะหมู่ห้องเป็นขีขาสิมันก็ประถือได้ค่ะหรือแมนส์หรือโบแมนสหมูหม่ห้องเป็นขีขาอ่านให้คือยังเข้อยากแพร่จากพายคบหลูงหอกกับปา น, นั่นมันก็ประถือค่ะ หรือจังไหนเขาว่าท่านก็พวกแก๊งหนังสือเมื่อวนกับพิดเบิร์คือกันที่ปฏิว่าหรือว่าจังไหนขั้วนี่งกับพวกแก๊งหนังสือเป็ น, ปนยังไงฮะพกแต๊งหนังสือแห่ขัน่ะกับอันนี้ม่อันเดียวกันว่าเนี่ยหรือเป็นคนละอันเม่อวันหนึ่งนคนออกมาพันหน้าเนี่ยหลปู่มหาแต๊งหนังสือลหลายแก่้นเนี่น อันเพิร์ตันเป็นเรื่องนึ่งฮะนี่ตัวที่ไปเฮ็ดคือเพิ่์ตนันกับบ่อไรฮะนี่ตัวกูไ่ได้บอกเขาเอามาเนี่ยฮะนี่ถืมาตัวเขาเามืองยยไงไปสูงกับบ่อไรอีกฮะนี่เขาประ ก, า, กาศมาฮะนี่อันนี้เป็นของนาโคดคิดเนี่ยเอาเต่ามูสิพี่ก็น่าซอยอันนี้พูดสิอัดไปกับแม่ น, า, นาที่โคมูเลยพูดสิบอัดกับแม่ น, า, นาที่โคมูเลยเขาบม่ได้เกี่ยว อั น, นเงินเขาฝากว่าพร้อมกันในคณะเดียวนีครับที่ปฏิบัติอย่างไรเขาจะเอาของเขาแ่บอลวิสิส่งคืนอันนี้ขันบอลให้เขาก็ต้องส่งคืนจะเอาของเขาเงินหา้ารอยบาทฮะว่าส่งคืนทั้งมวนเทียบันเราก็ค่าสามารถที่มีเวลาทำใหา้ได้วางใจ เนื้เพิ่นกับประเทศเป็นลำเป็นสันพราันไหนวางสันสปฏิปฏัติยังไรคุณทิศอันนี้อพวกพระผู้ใหญ่วางไรฮะเนี่มระพะฮะเมระพละเนี่ยคาว น, น, น, อนารนอา ง, งของน่ังฮะ ต้ฝากมังเป็นว่าสิปรสงของที่ไหนของอาจากระอันเงินฮะเป็นเป็นเป็ น, ป น, ปนพันไทยสิ้นไส้ว่านเอปลาสดู่าพัดสดูโ อ, อาพัดสดุอันแพรงเนาะทานี่ตัวพี่จะนั่งในในขวทางไหนคู่ขั้นตอนนี่มาท่านในขั้วว่านในหูเรื่องป่ะเอากระบอยู่เปล่งจังหวงหูเรื่อง ว่าหัวจับามวหันหรือจับพอตีปรอท่าวัดของวัดนอตัวกระสอบถือกู เชื่จะหม า, านนยปัหาเขาติตั้งในคนใาย่างเพราะว่าเพาะการรัดิเรื่อบาดอยู่เพราะว่ามีคุยตงนะเพื่อนแค่เนอดีนระเรียนพระกอพระขอพระคอพระงอที่นับถือจดหมายและเทบ และมูลค่าในสำนักได้รับแล้วขอขาะเขุ่นกเบว่าได้รับแล้วแต่หน้าวิจารณ์อยู่ท่านหนึ่งว่าจะไม่มีเวลาอาดให้พอและคำเทศของน้องปู่ก็ไม่ใช่คำเทศ ภาษาภาคกลางสับสนอนุมานเป็นภาษาภาคอีสานสารพัดองค์ท่านจะพูดจะเอาเป็นเนื้อเรื่องเป็นกันเฉพาะจ้อจงก็ไม่ถูกนี่ข้อหนึ่งก็ไม่เหมาะสมอีกข้อหนึ่งอีกเทปที่ประจำอยู่ในวัดของพวกผมที่จะ อัดมาให้พวกอัดมาให้ท่านนั้นก็ไม่สะดวกแท้วก็ไม่ค่อยจะสะดวกเวลาก็ไม่ค่อยจะมีเมื่อเป็นอย่างนี้จึงนั่ศึกษามาให้ท่านทราบส่วนเทพจะให้พวกผมส่งมาให้หรือจะให้ปฏิบัติยังไง ส่วนมูลค่าที่ฝากไปก็ดีดีบ่ต่อไปงี้สะึดีอยู่เนาะเขาสีมากก้าวไอย่าซือกับถือได้เขาอ่ะนักมันจะนักกำนักนนเลยขี่มอเตาร์ขีมาแห้งครับมาแห้งเงียยก็มาสิมาเบียอูดเอาอยู่นี่ไม่เห็นบอกคุณกู้อานักใจ่เขาที่ส เดี๋ยวเขากรบวนาเหรอถ้าเ่าสามารถอัดให้ขาไปยังจะโมบอกขาอา้องขาาไปก้าประตูเลยยังนี่เขาจะไปนี่เขาเนี่ยไม่นบอกยังจะต่อมีจดหมายมาบอกขาแดงขันคัดของแน่เลยนี่หลวงมีแต่เขาสร้างปัญหาใจเห่าเห่าเห่าหลอดว่ได้สร้างปัญหาจะเขาวันเนาะเขาจะว่าสิินดีต่อเห่าทำไรเห่าก็บรรได้ในเรื่อง ที่นี่เรี่ยงนี่เอาไว้ซ้ำนี่ที่นี่เอาไว้ซ้ำนี่ก็มาค่าเขาอีกซ้เก่อนะฮเนี่ยใเห็นดียังไงบอกกันให้มันเหลกมันล้านสั่นอ๋อท่านท่านด้วยใช้ใช้จดไม้จะใช้รเอามาอ่านไจุดไม้มาอ่านไปมันจังจึหจักคนนักขุมเบไปอืมจุดไม้มเยสนใจผมกับฝึกสาหมูอยู่ได้ ยามูเป็นโทษผมเพราะผู้แบกผู้หางกับม่นมูเด้่ยผู้ชีอัดกับมันมูผู้ถือผัวอัดกับมันมูเนี่ยภาพบนไม่นาทีเดียมันเป็นสัตวว่าเขาจะไปคมเหี้งให้มูอัดให้ลูกศรกับมัเป็นเขาอย่าแต่สัท่าเขาโมเป็นนือเขามาถามผมผมละขอผมแล้วสตขออย่งไรวะสัตวเขาบนผู้เก็บผมไห่วะ แผไปแล้วใายเอาไปใช้เขาก็ไ่ได้จำแนงจบจองเลยวะผมขอทำเขาอย่างไรวะเข้าวันสาคัญ่ผมเขานี่ยประเสริฐเดินลำธนาคากบาได้อะไรเก็บผมเขาใหม่โดยเข้ารบเดืองากบาได้ว่าเอาไปย่ผูข้ขี่เสีเลยเขากบได้ว่าเออถึงเวลาเท้เาก็ทเทเขาวงศ์ใว่าโอมอนนเอาไปไว้ได้มาเอาไปไว้กุศล พ่วงเป็นจริงธรรมะของโพธิเกามันมีหลายอยู่แล้วมันโมนมันโมมีบางท่านเพิ่นกระว้าพรบกระดูกพระองค์เก่าเสด็จมาจังสั่นเสด็จมาจังสิคุบะจารนุมัยเพิ่นก็เว้าอยู่แต่ห้าวขังคดจู้ห้าวอะไรมันห้าวทิศทิมาหลายกับพระจัก จังว่าคาสอนพระพุทธเจ้าแปดมืีพระธรรมอคัว่ามันพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพญาสงเจ้าเสด็จอยู่บ่มีกับเว้นกขึ้นมอ่ห้ามันผไปหันสมสิไปตื่นของยังสั่นสั่นาว่า้ามันผไปหันคาสอนแปดมืที่พระธรรมอคัญน่ะมันมีอยู่บ่มีกเว้นกขึ้นั่นมวลพระพุทธเจ้ามีอยู่บ่มีกับเว้นกขึ้นมพระธรรมกับบมีมีอยู่บ่มีกัเว้นกขึ้นพระสงฆ์กขึ้นกันั่นแหละ พรบาิตตื่นจากกระดูกภายนอกแต่ข้าวเราบอกงค์สนว่าเพื่อใดเห็นธรรมเพืนั้นให้เราทำคำสั่งสอนของเรานั่นเองจะเป็นศาสตาของท่านทั้งหลายอย่างว่าข้าวคันว่าคำทำสั่งสอนของพระองค์เจ้าเป็นศาสดาของข้าบวบ่มีกับไม่ขึ้นนี่แหละก็ทีว่าอันไหนเสี็จไปใส่อันเสี็จมาใส่สันโยจะพี่หน้านี่ไหมเราแต่ว่าคือตัวคิดสอว่ามันหนึ่งเป็นชั่วเหตุในส่นคิดว่าอเอาอ่านมงดู อชนนั้นคืออ่านง่ายเปล่าคือบางง่ายอ่านงงอือ๋ออัอออนนี้วัดท่าพงศ์ย ด, ดมหาในกายวัดท่าพญุ์เนาะเพิ่นจะค่อยมาหาเขาเกี่ับพระพุทธฮึมฮมนั่นมันเป็นปัญหายังไงนะครับมันจังเปลี่ยนสัตว์ มันมีแผนยังไงมันังเป็นแสงสะฮึฮ so <c oughs> right ึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึ่ึฮึึฮึฮึฮึฮึฮึฮึาึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮ เขาใส่ห้องกับพิอกันเลยทีคือว่าฟังกูอนนี้ก็ได้คือเขาส่งมาห้องส่งมาลานร่มตะเคียนล้วันเหรอคือมันสะดวกว่าหันเน้าผู้นั้นที่รับทุระเขาอะนี่เป็นที่สั่นละคืออันนี้ก็มาะคว้มเปลี่ยนย้ายไปแคมูเอาเทมูที่ซื้อซ้าไว้เอาเทมูที่ซื้อซ้ากันไว้ อ้อว่าเพ่เป็นไงไปให้กับมูเรื่องนี่เข้าเขาว่าเป็นตัวตั้งตัวตีอันนี้เราจะมูที่ศึกษากันนี่เป็นชาเลนจ์แค่ไหนว่ามก้เป็นไงกับมูอันนี้เข้าเข้าว่าเป็นซิตอันนี้ถูกบอกให้ตอบตั้งสิฮะเข้าว่าเป็นซิตใเ น, น, เนเรื่องนี่ให้มูเป็นซิตมูข้อนี้นไกแข่งเปเรื่องของมูอันนี้มูรับงานผมอันนี้ เขาเขียนมาหาล ป, ปูเนี่ยหน้าที่ลปูตี่ศิวะทุกพิธีเคขิงว่าสัตว์งูที่เห็นดียังไงเห็นดีว่าให้ผมตอบบอกผมก็สศิเอาเห็นดีว่าสิอัดไปให้เขาบอกผมก็สิเอาตามเห็นดีว่าให้ผมตอบไปว่าปฏิเสธบอกาสัตผมก็บิตอบผมก็ ม, กมีเนี่ปฏิบัติกระมู่อยูว่ ว, าวา่ามันติดมารวดว่าเป็นอะไรวะขันหามันมาอมผสมมามูก่กสิติบตีผมเนี่ยมรามุ่ง อันนี้มาปลึกษาลูกสาเต่ากัดข้ามันเนามันเหม็นมาแล้วรถห้องโกงกี้พูดเดียวพอจีวะไม่แต่งการมีลูกเต่าที่มี่ไว้ให้ยั้งสมุยโยพูดเดียวพอจีว่านี่อันหนึ่งอันนี้เอาใจโตเอาใจใจโตคึ้งยังครึ่งยังแนวเอากับเอาได้ไหมแนว่เอากัแนวควรบวกควนเอาการศึกษาได้ไหมนี่มันก็มีกับว่ามันจะศึกษาหยุดสู้อันว่านะกับกับว่าไม่จใช้อํานาจคูอันว่นะ เนี่ยของสี่ขุนศึกษาอะไเนี่ยเพระเหี้ได้เนี่ยพะผู้อัดมันมนมูด้สีอัดผู้ที่สนใจว่ากันไดควนเอาไปกันได้พวออกเอาไปกับมันมูเนี่ย่มันเ่าไรอ๋อยเวลามูจะคอยบอกกันเ้อ น, นี่เนะวัซ้เี่อะวันเนะ ผู้ใหญก็มีผู้น้อยก็มีพระก็ไดา้เนตรก็ได้ให้มีอิสระวอลสุขคนใครฉันดียังไงควรยังไงให้มีอิสระสุขคนทั้งทั้งเนตรทั้งพระล่ะในตอนนี้ของเยงสี่กับพ่ม่หนาที่ห้าเทาไปแบกผ้าละก็ะป๋องให้ลูกเขาเล่าลูกเขาแบกได้ก็ได้บแบกลูกเ้าแบ ก, กไม่ได้ลูกเจ้าสิว่างก็เอา ข้ากับวัดไรวาอันน้มันก็คืองานเนี้ยอื่นอันนี้งานพิเศษมะเกยมาผาตั้งหากั น, นมันมันขอวัดประจำสำนักเข้าขอวัดพิเศษมะเกยมาผาอั น, น ข้าในมูเฮ้าต่อไปนี้นกระมีเนี่ยเราอยู่ไพ่กามาเองทุกท่านทุกคนพิคุชามาเรียนก็นดีตั้งคนตั้งหัวตั้งใจตามสติกำลังเนี่ยได้สิทธะบ่แว่งกันหสมานมิสมานชั้นเช่กันน่ท่างดี เาจะเอานีหนี้ใาาาส่ขลังวาดมาใส่พ่อเตะกระเตะพ่อถีบกระถีบเป็นสันว่าถือพ่อเสกหัวกับเสกหัวกับว่าถือมันยับทะเลาะกันกับยับของมันโมเมนมันบ น, นทะเลาะกัน งบนสีมาปฏิบัติเพื่อผลทุกในวัาสงสารบนบนสิมาหยาิกันยู่กันจินหยาดใส่หยาดซอยหยาดราบหยาดยวดกันเอียงมันไม่มีราบไม่ยวดพราะที่หยาดกันอียงดอกมีเอียงกับปันกันยู่กันจีนกันใส่กันซอย เห้เบืองกันผู้ด้สันโดดมากน่อยให้คุ้มเอาผาพรอนทอนสบายนังเนี่ยมันขาดมันเขินหลายผู้หลายก็จฉนใส่บ่อบบผู้บ่มีกับตามหนา้าตามหลังอันกับว๊อบทึกเ น, นเว่นไวตต้ตั้งจะมักทั้งสั่นเว่นไว้จะมากบมูนี่มันบุ่นไหมันเรื่อมตนวเรื่อมตัวไปเลวั กูเท็ดึงมัวยอ้ก็หน่ว่าสั่งก็ได้ตามนาตามหลังไหวอันนั้นก็เป็นเรื่องนึ่งก็ย่าอันนีงสัน่นแต่ว่าขบันอึดอีดีกูเทสอยนนี้สั่นมันก็เป็นบุษึกขวาแต่บอษดอกขาน่อยอต้องอยากเทสอันนี้สั่นก็นให้มันหุ่จักอันพูดยังสัน่นนี่การปฏิบัติภาวนาะยัดใส่ให้มันซื่ออําห้องภายห้องมัน ผู้คยพาะวานาพุโทโธคอยพาะวานาพุโทโธรักษาอาจารย์เดิมจดของไวขันเสื้อมกับเสื้อมกแก่ขอวัดปฏิบัติแล้ขอวัดปฏิบัติทองเฮาไม่ยังเน่ที่เฮาเหตุเยเสมอถึงยงยบอันไนี้ก็ต้องหาอันนั้นเรียกว่ากลงต่อเวลา งามเดินหนุ ก, กรมภาวนาไก่ภากันเดินนุ ก, กรมภาวนางามภาวนาไก่ภาวนางามไปบินทบาทไก่ไมนเป็นเรื่องบินทบาทงามไม่กาไม่งานเลื่องซอยกันกาซอยกันจะไปเห็นจะแก้รับแก่นอนแก่ทิฏฐิมาณ่ะ เออขอมฝากันเอาไปเขียเอียงพวน้นเป็นทังสัตวพวกนี้เป็นังี่นนเบิมะในสมรั์เอียงหลกเพลิงสตืนคือมาตาซักแกันพวนั้นเป็น้งัพนี้เงสีว่าอันนั้นก็ไ่เจริญชิดใจจินเขากับพกินยซื้อเพลงโทษพวกนั้นเพลงโทษพนี้เจ้าของมาพวนหน้านี่ก็บทึก พอพุทธเจ้าว่าพงอใช่ไหมมาตัดนยุตารู้จักประมาณนีการกินอาหารบ่มากบ่น่อยอาันมากหลายมันก็อืดกันน้อยหลายมันก็หิวอาแต่ว่าทานั่งค้ำทนนี่ค้ำนกับบัวคนบอกว่้แต่ว่าใครเคยกินจังไงใครสังเกตจากของแล้วกินจุมากมันเป็นังไงจุมากของเฮานี่ขนาดใด หิวของเฮ้าเกินไปแล้วม่นขนาดใดให้จืดเอาของพายของมันเพิ่งมาจะเอาผู้อื่นมาใส่บ่ได้ อ, อันนี้โจมตีกันบ่ได้อันกินหน่อยกินร้ายเนี่ ย, พออพยเยพรางองพายของมันเนี่ ย, น, ย, ยนี่ให้พัยสังเกต้องพายของมันเนี่ยแต่พระเวไนยมิยวะยังมีอีกจักรซีหาคิ่มซีอิมสนให้ยุดธกัสันส่วนท่านขั้มท่านนี้ขั้มพลก บ, บาวานังมีจกักรซีค่มหาคั อิ่มเว่าสันหิยุทธ์ซะว่าสันห้ดื่มน้ำแล้วพอดีบ่อืดอักว่าสันนั่นเรียกว่าพ่อฉันเนมาตันนิตตาหรือเจ้าปอมาณในการกินอาหารบะหมากบะหน่อยชาคณียานุโยกประกอบความเพียรเพื่อจะทํายละใจของตนให้หมดจดไม่เห็นแก่นอนมากนักเราเป็นพระนุมพระน่อยเนี่ยนมเนี่ยหน่อยจะพระหัดนอนเว้นห่อท่อมะแค็บมกเขือเรานอนเว้นเป็น เ, น เ, นเนมดเขาม่านี่ไม่เป็นเอา อห้ 53, าสิบสามสิบสี่ภาษาบัรรทบวดพายแก่สัมห้องจังไหนนอนเวีนแดงมือแล้ตื่นเล็กเรียกเลกหน่อยตื่นกะตื่นชั่วสามชิบหน้าที่เห็นแล้วยืน้ำหลงปู่มันสี่ภาษาว่าได้รับพู้หาหน้าที่เกินหาหน้าที่จักเถือ เมื่อวานี่กูไม่ได้นอนมี่กูต้องเบิกท้อยหลังเห็ุแหงสัตว์กับพะเจริญนี่ควมเสื่อมมี่อยู่นอนหลับตื่นยายๆตอนกลางวันเรียกว่าทางเสื่อมเหมนนอนหลับตื่นยายๆตอนกลางวันมาแห่งควบเสื่อมมือมังควบเจริญอปันปน ก, กาปฏิปทาคือปฏิบัติไม่ผิดสามอย่าง หนึ่งอินทรีย์สังวรชั้รวมอินทรีย์หกคือระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นรีบนลดถูกต้องปุถะวยกายรู้ธรรมารมด้วยใจสองโพชเนมตันยุตารู้จักประมาณในการกินอาหารแต่พอสมควรไม่มากไ ม, ไม่น้อยสามชาคณียานุโยกพุรังคตผลาอ่านเป็นโยคะชาคนียานุโยกชาตินีสุะตัวชออ่เธอ ประกอบความเพียรโยต่อนี่เป็นโยคะชาคณียานโยกประกอบความเพียรเพื่อจะชำระจุดตนของจิตของตนให้หมดจดไม่เห็นแก่นอนมากนักไม่เห็นแก่หลับมากนักเพื่อไรเอาไปปฏิบัติก็ไม่ผิดเดี๋ยว่าปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างอัรณักกัปฏิปทานาาใครเอาไปปฏิบัติก็ไม่ผิด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 ภิกษุสามเณรผู้หวังความเจริญแก่ตนควรระวังอย่าให้อันตรายสอย่างนี้ย่ำยียได้นั่นองค์แห่งภิกษุใหม่ห้าอย่างสํารวมในพระปฏิโมกเข้อที่พระติเจ้าห้ามทําตามข้อที่พระองค์อนุญาต สํารวมเอ็นซีหกคือระวังตาหัวจมูกลิ้งกายใจครอบงําได้ในเวลาเห็นรูปด้วยในตาเป็นต้นสามความนักขากรมฐานสี่